เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาะจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขคามาฟังเคสสัดษกันลูกได้มีโอกาสไปทาบุญที่วัดตั้งแต่ปี28ทําบุญซื้อที่ดินกับคุณยาย จนเมื่อไปอยู่ที่ญี่ปุ่น ก, ก็ทากฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวสร้างและบอบุญพระธรรมกายไปจําตัวและลานธรรมสร้างวิหารลุงปู่สร้างวิหารคุณยายบุญจุดไฟแก้วสลายร่างคุณยายบุญถวายพระตาหารพระสามหมื่นวัดและได้ทําบุญทุกบุญกับศูนย์โอซากา้าสถิตวัดพระธรรมกายไม่เคยขาดเลยแก่ ตั้งแต่ปีหนึ่งลูกได้ทำงานขายสุราแล้วก็ดื่มเองด้วยทั้งขายทั้งดื่มเคยคิดอยากจะเลิกเลิกขายแต่ก็ยังเสียดายรายได้จนกระทั่งปีส5หจึงตัดสินใจเลิกเด็ดขาดเพราะได้มาฟังคาสอนของพ่อเด็พระคุณหลวงพ่อเห็นไหมว่าทุกคนมีเชื้อแห่งความดีอยู่เนี่ยอยากจะทำความดีแต่ไม่มีใครแนะนำเนี่ยมันก็ ขาดกำลังใจดีชั่วรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้จะมีกำลังใจเมื่อพระสอนเนนสอนหรือผู้รู้ที่สอนคุณแม่ของลูกเกิดที่ประเทศลาวแล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเมื่อยุสบหปีเพื่อค้าขายส่วนพ่อของลูกเป็นคนพมา่าเป็นพ่อค้าพลอยโอ้อินโดจีนเลยนะอินโดไชนา่า มาพบกบคุณแม่ที่เมืองไทยอ๋อเกิดที่ลาวพ่อพมาและกลมาพบที่เมืองไทยก็ได้แต่งงานกันจนมีลูกเจ็ดคนคนโตเป็นผู้หญิงตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นคนที่สองเสียชีวิตคนที่3เป็นผู้หญิงคนที่สี่คือตัวลูกเองคนที่5เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียคนที่6คือแม่หกล้มแทงไปคนที่เจ็ถูกผลักตกน้ําตายปัจจุบันยังมีชีวิตเหลือเพียง3คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสิ้น พี่สาวคนโตคนที่สามพี่สาวคนที่สามได้ตัวลูกค่ะน้องชายลูกจะเป็นโรคมาลเรียเสียชีวิตตอนอายุหกขวบซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านยังไม่รู้เป็นโรคอะไรคิดอย่างเดียวว่าผีเข้าก็เลยเอาน้ำมนต์มาประพรมใส่ตัวน้องน้องก็เลยยิ่งสั่นมากขึ้นทนความหนาวไม่ไหวจึงเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจมากเพราะคุณพ่อคุณแม่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวคุณแม่เสียใจมากอบอกว่าบุญไม่ช่วย จึงเป็นนักโทษอ า, ามือกวาดพระบนหิ้งที่บูชาตกลงมาที่พื้นเว<อ>ลางหงุดหงิจะไปโทษพระนะ<อ>ดูแต่จะกวาดทิ้งเปอะไรก็ให้บอกก่อนอมาถวายทั้งหมดเรื่องส่วนพ่อเสียใจมากจิงดื่มเหล้าแทบทุกวันวันไหนที่พ่อเอาขอไม่ขายได้เงินมาก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้าหมดยัไม่ได้เงินมาเอาไปซื้อเหล้าหมดเลยไม่ได้มาเลี้ยงครอบครัว พอเมาก็กลับเข้าบ้านแม่เห็นก็มโมโหมากจึงใช้วิธีหนามยยกเอา้นามบงไปซื้อเหล้าขาวมาแล้วก็กอกเหล้าพ่อนนในขณะพ่อกำลังเมาของเดิมไปแล้วเจอเหล้าขาวจนพ่อสำลักหายใจแทบไม่ทันเออแม่จะทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำคือเมามาแล้วแล้วก็กอกซ้ำ ทำบุญทุกครั้งแม่คงจะอธิษฐานเจตให้ได้ลูกชายเพราะหลังจากน้องชายที่เป็นวิญสี 4, ชีวิตได้สปีคุแม่ก็ท้องแล้วก็ได้ลูกเป็นผู้ชายพ่อกับแม่ดีใจมากพอน้องชายคนนี้เกิดมาพ่อก็เลยเลิกดื่มเหล้าแม่รักลูกชายคนนี้มากแต่ในขณะดเดียวกันก็โมโหร้ายกับลูกสาวอ๋มักจะตีลูกกับพี่สาวคนที่สามด้วยวิธีการแปลกๆเดี๋ยไปตีลูกอย่างนี้นะ วดยเฉพาพี่สาววันที่สามจะถูกแม่จับมัดแขนไพร่หลังด้วยเชือกแล้วเอาพลิกหลนไฟใส่หน้าพี่สาวจะได้จามเพราะสำลักควันพริกแก้วัดส่วนตัวลูกเองแม่จะเอาอ่านตามที่เขาเขียนนะแม่จะเอามือฝรั่งเท้าถีบหนะ้าแล้วตบ หูสองข้างพร้อมกันและวิธีอื่นๆอีกสารพัดลูกเนน้อยใจมากเลยจึงขอแม่ไปอยู่ที่ลาวเมืแม่ไปลูกก็ดีใจเพราะจะได้ไปจากแม่เสียทีพอไปอยู่เวียงใจงก็แต่งงานกับชาวลาวไม่ลูกด้วยกันสองคนในระหว่างนั้นน้องชายคนแรกของลูกที่มีอายุเพียงหกขวบก็ถูกผลักตกน้ําจนเสียชีวิตพอน้องชายเสียชีวิตพ่อก็เลยกลับมาดื่มเหล้าอีกเสียใจ ดื่มทุกวันจนกระทั่งป่วยและก็เสียชีวิตในปีหนึ่งสาลูกตัดสินใจแยกทางกับสามีชาวลาวและก็มาแต่งงานครั้งที่สองกับชาวญี่ปุ่นมีลูกด้วกันอีกหนึ่งคนแต่ตอนนี้แยกทางกับชาวญี่ปุ่นแล้วค่ะแม่แม่จะเป็นคนเจ้าโทรศาสต์สแต่ก็ชอบทำบุญใส่บาตรทุกเช้าทำมินโตถวายพระทั้งเช้าและเพลนใครจะบวชคุณแม่ก็จะบวชให้เป็นเจ้าภาพจอกระถินตอนเข้าพรรษา แม่จะซื้อปลาดุกปลาช่อนมาขังไว้เวลาจะทำอาหารถวายพระก็จะฆ่าปลาบางครั้งก็ขายเองบางครั้งก็สั่งให้ลูกๆคาแม่เลี้ยงหมูเพื่อขายด้วยแม่เป็นอวมาาพาดพูดไม่ได้เป็นเวลาสิบเ<อ>ก้าปีจึงได้พี่สาวคนที่สามคอยดูแลคนที่แม่เอาพลิกหล่นไฟจนแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ8ปสิบหกปีพ่อแม่ของลูกตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะ บุญทกบุญที่ลูกทำไปให้ท่านได้รับไหมคะพ่อแม่ทํากรรอะไรมาจึงต้องเสียลูกถึงสี่คนพี่สาวคนที่สามีกรรมอะไรร่วมกับคุณแม่หรือเปล่าคะจึงเป็นลูกคนเดียวที่ต้องดูแลแม่ตอนเป็นออมพารถึงสิบเกปีลูกกับพี่สาวสองแม้จะเป็นพี่น้องก็ไม่ค่อยรักกันพูดกันไม่กี่ครังก็ทะเลาะกันลูกอยากจะรักกันเป็นพี่น้องกันหรือเป็นเพราะเราทํากรรอะไรร่วมกันมา ก็ไม่ใช่อะไรจะเอาโทรศัพท์กันนั่งนั้นข้ามชาติลองหมดเจอกันแล้วก็ะทะเลาะกันคือเอาสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมาพูดคือประโยคนะ่ะไม่ได้คัดคือไม่ได้เรียบเรียงประโยคหรือถ้อยคาดีๆเอามาพูดไปเอาประโยคไที่ฟังแล้วหงุดหงิดพูดกัน ซึ่งถ้าพูดดีๆกันแล้วแล้วก็ทะเลาะ ก, กันไหมทะเลาะถ้าต่างคนต่างพูดดีกันเนี่ทะเลาะ ก, กันไหมไม่ทะเลาะันก็จะดีกันน่ะก็แค่นั้นเองเลยจริงๆนี่นะเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราดื่มน้ํานมจากเต้าเดียวกันของแม่เนี่ยก็ควรจะคิดตรงนี้ดีดจะมาทะเลาะ ก, กันนะมั้ยรักกันไว้เถิดถ้าสมมุติว่า เราไปห้ามพี่ก็ไม่ได้เพราะเขเป็นพี่ให้พูดดีๆไม่ได้เราก็ห้ามใจว่าเราอย่าไปโกรธเขาแล้วก็เราปรับวิธีการใหม่เราได้ทดลองพูดคําไม่ดีมาแล้วเนี่ยผลก็คือทะเลาะกันเราลองเปลี่ยนวิธีการใหม่เอาคําพูดดีๆเนี่ยซึ่งเป็นของฟรีเลยเนี่ยนะเอามาเรียบเรียงประโยคให้ดีๆแล้วพูดอย่าให้ตกภาษาไทยนะ พูดให้ดีๆนะครับมาเดี๋ยวบรรยากาศจะเปลี่ยนไปเลยเมื่อเราปรับที่เขาไม่ได้เราก็ต้องปรับที่ตัวของเรานะลุงนะตัวลูกเองแต่งงานมาสองครั้งก็ต้องแยกทั้งสองครั้งเกิดจากอะไรก็จะพูดถึงกรรมกับเป็นก ร, รมเจ้าชู้จากในอดีตทางในปัจจุบันก็คือก็ไม่พูดดีๆก็หากันแหะ และชาติต่อไปเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยถึงจะไม่แยกทางคือแต่งงานแล้วไม่แยกมันก็มีสองวิธีนะลุงนะถ้าไม่อยากจะแยกทางคือนึอยู่เป็นพรหมจรรย์ถ้าเราไม่ต้องแต่งงานนี่ยเราก็ไม่ต้องแยกทางกับใค ร, ครถูกไหมถูกครับอันนี้ง่ายที่สุดเลยอย่างอื่นเราไม่ต้องไปนึกอะไร ถ้าไม่อยากแยกก็พยายาไปแต่งแล้วก็หมดเลอกก็นั่งรับตาัำภาวนากันไปก็แคนนั่นเองแหละเอาเรามาดูปุพรกรมพ่อแม่พ่อตายอย่าลืมพ่อดื่มเหล้ามากจำได้ไหมใจเศร้าหมองมากมีคตินิมิต ด, ดำมืดละโลกแล้วก็ดิ่งไปในมหารนคุมหาทันทีมีกายผอมดำ ใหญ่ปานภูเขานอนหงายอยู่เพราะกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกรรมเป็นหลักก็ถูกนายนริยาบาลกำลังกรอกน้ำกรดสีดำอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานบุญที่อุทิศไปให้จึงยังไม่ได้รับแต่ก็ไปคออยู่ที่ยมโลกตั้งใช้วิธีพิเศษคือ ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ไปช่วยแบบคุณยายจาระชาแม่ตายอายุแปดสิบหกปีตายแล้วไปเกิดเป็นเวมานิกเกะเรตเพราะก่อนตายเห็นกรรมนิมิตมีทั้งบุญและบาปที่ตัวทำเห็นเป็นภาพเช่นทำปานาปฏิบัติฆ่าสัตว์ แลวก็เขาวัดทมบุญเป็นต้นตอนนี้มีสภาพดังนี้คือกลางวันเป็นอากาศเทวดามีวิมานอยู่ในอากาศเป็นเงินตอนกลางคืนเป็นเปรตมีลักษณะผอมดำแห้งสูงใหญ่และถูกไฟเผาลุกโชนทั้งตัวเ <S S S 2> พราะมักโกรธเจ้าโทสะและก็มีฝนมีด มีดมีดาบตกลงมาตกลงมาใส่ทุกโทรมานมากเพราะกรรมปานาติบาตกรรมที่ขวัตทําบุญก็เป็นอากาศสเทวาตอนกลางวันตอนกลางคืนเป็นเปลืเพราะบาปที่ตัวธรรมได้รับบุญที่ลูกธิดให้ก็ทําให้ชีวิตการเป็นไมเวมานิกระเบิดนี่สั้นลงมา เหตุที่พ่อแม่เสียลูกทั้งสคนก็เพราะเป็นกรรมแน่ดีที่ทั้งพ่อและแม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันในครอบครัวทําเกษตรกรรมตทั้งสองได้เลี้ยงเป็ดไก่มักจะเลี้ยงตัวเมียเอาไว้เอาไข่ส่วนตัวผู้น่ะขายให้เขาเอาไปค่าและข่ากินเองด้วยทําให้ไม่มีลูกชาย แต่กรรมนี้ก็ไปดึงดูดเอาลูกที่มีกรรมปาณาติบัตเหมือนกันมาเกิดจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว mm hmm. พี่สาวคนที่สามที่ต้องดูแลแม่ที่เป็นอัมพาตสิบเก้าปีก็เพราะรักแม่เนะ่และก็เป็นคุณธรรมของลูกด้วยพี่สาวคนที่สามเคยเกิดเป็นลูกของแม่ในชาติอดีตเมื่อพ่อตาย แม่ก็มีสามีใหม่ซึ่งต่อมาตัวก็เติบโตเป็นสาวสะพั่งทำให้พ่อเลี้ยงมีความคิดอยากได้เป็นภรรยาจึงปล้ำลูกเลี้ยงจนสาเร็จเสร็จสมอารมณ์หมายอย่างนี้บ่อยๆกระทั่งแม่รู้แม่ก็โกรธทั้งสองคนแต่โกรธลูกเป็นหลักหาว่าลูกสาวเนี่ยให้ท่าเพราะสามีใหม่บอกกับแม่อย่างนั้น ลูกสาวก็เลยแค้นสามีใหม่หรือพ่อเลี้ยงมากเพราะถูกแม่ทุบตีจนคิดอยากจะฆ่าพ่อเลี้ยงและผูกพยาบาทามาข้าชาติแต่ชาตินั้นยังไม่ได้ฆ่าแม่เป็นอวบพาดเพราะกรรมบรรณาธิบดทีทั้งอดีตและปัจจุบันตลอดจนเป็นคนมากโกรธเจ้าโทสะในอดีตแม้แต่ปิดาบมันดาก็ยังเคยโดนแม่เนี่ย ด่าว่ารมนั้นยังทำให้แมนะ่พูดไม่ได้ในชาตินี้ก็เป็นอมาภ่าด้วยเพราะปะาธิบัตินี่ก็เป็นเคสตัศดีย่อยๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ